ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสมิทธทิสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการละ ก, กามเป็นเรื่องของเทวดาที่มาพบสนทนากับพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระสมิธิ คนตัวพระสูตรที่ท่านเรียกว่าสมิธิสุตคือ ส, สูตรที่ว่าในเรื่องของพระสมิธิมีข้อความค่อนข้างพิสดารก็หลายประเด็นด้วยกันตอนนั้นพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ตะปูธารามกรุงราชครึกพระสมิธิตื่นขึ้นเวลารุ่งแข่งระจีก็เข้าไปที่ ลำน้ำตะโพธาเพื่อจะล้างตัวคลางตัวแล้วก็กลับขึ้นมายืนมีจีวรผืนเดียวรอให้ตัวแห้งนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นยุคสมัยต้นๆนะรับยุคสมัยแรกพระเราก็มีผ้าแค่สองผืนคือคำว่าสามผืนนี่ที่จริงมันเพิ่งเกิดทีหลัง เรื่งการไม่บาดตัวของพระก็เวลาสงนำตอนนี้ท่านก็ไม่ได้สงแต่เพียงแต่ลูปรัวแต่ว่าก็ไม่มีผ้าเช็ดตัวเราก็ต้องยืนรอให้ตัวแห้งซะ ก, ก่อนก็ออยังนึกว่าภาพการแต่งเนื้อแต่งตัวของ ประสงค์ในยุคต้นๆเนี่ยแล้วคลอคร้ายับกับนักบวชฮินดูที่เราเห็นในปัจจุบันเฮ้ท่านก็มีผ้าสามผืนก็มีนุ่งแล้วก็มีผ้าบ่าแล้วก็มีครุ่มนะฮะก็ถ้าพูดถึงดูแล้วไม่ค่อยจะเรียบร้อยอะไรท่าไหร่ แต่ว่าเป็นเรื่องของยุคสมัยเกษททำให้เราเห็นว่าคนยุคโบราณเนีย่ยบัต ท, ทีก็มีผ้าพื้นเดียวหอวงพ่ก็มีผ้าเตี่ยวพื้นเดียวแม้โอกาสที่จะสวมเสื้อเนี่นยคือสมัยมาเป็นเด็กๆก็ประมาณสัก6กสิบกว่าปีที่แล้ว เราก็ยังเห็นคนแต่งตัวในลักษณะนี้คือบางทีก็ดึงผ้าขาวมาแล้วก็เขียนพุงด้วยผ้าขาวมาแล้วก็ฟาดป่าด้วยผ้าขาวมาแล้วก็โปะหูวด้วยผ้าขาวมาคือสีผืนเนี่ยใช้กันหมดละเรื่องผ้าขาวมาก็เลยกลายเป็นผ้าอนเนกประสงค์การยมสวมรองเท้าเองก็เพิ่งเกิดในตอนหลัง ในบางท้องถิ่นเช่นในประธติศาสตร์ของเราในทางด้านทางทางภาคใต้ก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนก็ไม่ได้สวมรองเท้าคือชอบเดินท้าเปล่าก็สแสดงว่าเ ป, เป็นเรื่องเหมาะสมกับยุคสมัยแต่ก็มีประเด็นที่น่ามองนะฮะคื อ, อความหนาวในอินเดียเนี่ย ทำไมโบราณอาจจะหนาวไม่มากอย่างปัจจุบันก็ได้แต่ผูตึงยามหนาวที่เคยสัมผัสมาในปัจจุบันเนี่ยผ้าตัวไปนี่หกเจ็ดผืนยังเอาไม่อยู่เลยมันหนาวสุดๆหนาวจนผิวแตกโดยเฉพาะยงยิ่งคือแขนนี่จะแตกเราจะคันยุบยับไปหมดทั้งตัว ทีนี้ตะโปธรามเนี่ยมันมีประเด็นที่นาศึกษาอยู่เพราะว่าได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในพุทธศาสนาเยอะมากแม้แต่พระพุทธบัญญัติที่พระเจ้าสรบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุซึ่งอยู่ในชงพูทวีป บ, บทบัญญัติตอนแรกเนี่ยจะบอกว่าภิกษุอยู่ในชงพูทวีป 15้าวันอาบน้ำได้ ห, หนึ่งถ้ายังไม่ถึงสิบห้าวันอาบน้ำต้องอัดใจจิตใจแรงนะฮะเกนเป็นเหตุการณ์ทางสังคมจิตวิทยามันสืบเนื่งองมาจากตะปธานาทีหรือตะปธารามเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำร้อนถือรถหลังกันลงมาโดยลำดับ แล้วการอาบมันก็การอาบน้ําตามระดับชนชั้นหมายความกษัตริย์ก็จะอยู่ตอนสุดแล้วก็น้ําที่กษัตริย์อาบแล้วเนี่ยก็ผ่านมาเจอกระพรมัมแล้วผ่านมาเจอแพทย์ก็ผ่านมาเจอสูตรก็ผ่านไปเจอจันทา น, นจันทานอยู่ล่างสุดเลย ทีนีพระเราเนี่ก็ถือว่าสมณะสักยบุตรมันอยู่ในเขาเรียกสมณะวันนะในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นสมณะสักยบุตรคือเป็นบุตรของศักยักษ์คือพระพุทธเจ้าวันเวลาสูงน้ําก็สูงชั้นสูงสุดคือชั้นเดียวกับกษัตริย์ ความกริส์บสงน้ำตรงไหนก็พระก็ส่งตรงนั้นนี่คราวหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารมาเพื่อจะสงน้ำเพราะว่าเป็นอะไรล่ะคือมันก็ต้องรปรับเปลี่ยนกันมานะที่ไม่ได้กว้างอะไรแต่ไหพอดีพระท่านสงน้ำกันแล้วพระจำนวนมากมันก็หมุนเวียนกัน รรรพระเจ้าพิมิสารก็ต้องรอกว่าพระจะส่งเสร็จก็ข้ามืดท่านกาะได้ส่งน้ำแต่เกิดข้าววังไม่ได้ข้าวเมือกไม่ได้เพราะว่านายทวารบาลเขาปิดประตูไม่จะเป็นกษัตริย์ก็เข้าออไปไม่ได้ก็ทำให้ต้องพักอาศัยอยู่ที่บ้านของราษฎร ก็ถือว่าใกล้กับพระวิรุวั์แล้วก็เลยเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเช้าพระเจ้าก็ทรงทราบก็ถือว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ศัตรูของพระพุทธศาสนาปรากฏว่าพวกที่ไม่ชอบพระเกิดปลุกระดมขึ้นในกรุงราชครือคือถือว่าเป็นการปรุกระดมครั้งที่สอง ครั้งแรกก็ตอนประสาิบุตรพระโมคคัลาณะออกบวชด้านตอนยุคแรกกับปีแรกแล้วในการต่อมานี่ก็คงไม่นานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้ายัางอยู่ที่กรุงราชครืออยู่ยังไม่ได้เสด็จไปที่สาวัตก็ปรุกระดมในธรรมนองว่า ประสงค์เนี่ยอาบน้ำกันจนปล่อยให้พระราชาต้องรอคอยแล้วก็เสด็จเขาวังไม่ได้ถ้าเกิดเป็นอันตรายแก่พระราชาแล้วสมณศักยบุตรจะทำยังไงใครจะเปิดคนรับผิดชอบก็ปลุกระดมแต่พระพุทธเจ้าคือวัยมากนะ มาความสถานการณ์เกิดปับ๊บก็ปลุกระดมกำบังก่อม็อบในอย่างมอบอย่างไม่ได้นะฮะสลายก่อนเพราะว่าทรงรับสั่งประชุมพระสงฆ์เลยแล้วสรงบัญญัติพระวินัยอย่างที่ว่าเพิสูจน์อยู่ในชมพูตวีปสิบห้าวันอาบน้ําในหนหนึ่งถ้ายังไม่ถึงสิบห้าวันอาบน้ําต้องปาจิตติแล้วนึกภาพดูถ้าเรดูร้อนนี่แม่ไม่ได้อาบน้ำสักสองสามครั้งแล้วเอาไม่อยู่เหมือนกันนะ อินเดียนี่เขาก็สุด ๆ, ๆแหละเกิดทั้งหนาวก็ร้อนนี่เขาสุด ๆ, ๆมากฝนมีไม่ค่อยมากอนคราวนี้ก็ออกไปข้างนอกไอ้ชาวบ้านที่เตรียมจะมาประชุมกันเนี่ยก็คือสงสารพระว่าพจะลงโทษแรงมากตกลงว่าปลูกมอบไม่ขึ้น นั่นคือการแก้ปัญหาในยุคสมัยพุทธกาลปัญหาจริงมันเกิดเยอะแต่ว่าความรวดเร็วของพระพุทธญาเนี่ยส่งแก้ปัญหาได้ทันทีเลยพระราชาไม่ลุกลามผีกระพู้บริหารพระศาสนาในยุคปัจจุบันปัญหาคารากาสังยเยอะอยู่เยอะเลยมักหมมสะสมอยูย่เนี่ยตั้งแต่พระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันก่อนแก้ไขคือศูนย์ห้ามาเนี่ย มีปัญหาที่ขาแผ่นดินอยู่ในวงการพระศาสนานี่มีอยู่เยอะแต่ก็แก้ไขได้ยากเพราะเวลานี้มันพวกการเมืองเนี่ยเข้ามาทแทรกแซงทำหมาอบุญนไบทท่านผู้ฟังคงได้ข่าวที่สภานิติบัญญัติเขาเสนอเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติในประเด็นของปุ๋ยบัตรหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราชคือยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจิตนาอะไรเขาและมันเดือดร้อนอะไรก็เขาเพราะเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเป็นความถูกต้องทั้งในมิติของกฎหมายแล้วก็มิติของพระธรรมวินยัยแล้วก็จะรีดของสง์ด้วยนะฮะตลอดถึงการอนุวัตามคอยตามบ้านเมือง ก็คณะสงฆ์ก็อยู่ดีๆอยู่แล้วไมไ่เกี่ยวอะไรเลยที่เขาปฏิรูปเขาอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคณะสงฆ์ก็มีพวกกลุ่มหนึ่งก็ถา้าพอเราดูรายชื่อแล้วในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการนำของพวกของนสนธิริมทองกุลก็ทำให้เดีอดร้อนวุ่ดบายพอสมควรน่นะครับ แล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งนะครับเพราะว่าเขาบิดเบือนประเด็นแังั้นปัญหาศาสนาจริงมันมันยุ่งยากมากขึ้นนะเกินในขณะที่อิสลามมีประชากรไม่ถึงสี่ล้านเรียกร้องสิทธิที่จะมีผู้พักษาเป็นของตัวเองหมายความว่าคนอิสลามทำผิดเนี่ยต้องมีโต๊ะครู เป็นผู้ร่วมตัดสินอยู่ด้วยเดืยดร้องสิทธทิพิเศษเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่มีใครรู้สึกสะดุ้งสะดือดเลยแล้วก็มารังแก่พระจะออกกฎอย่างนั้นจะออกกฎอย่างนีนนน้ชาวบ้านทั้งนั้นนั่งดื่มเหล้านั่งคุยกันแล้วก็มาออกกฎบงังคับพระอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราอ่านรายชื่อแล้วเราก็สลดนะฮะ คนบางคนเราก็รู้จักคุ้นเคยด้วยเราก็ไปเรื่องก็เออวุฒิภาวะท่านเหล่านี้เป็นอย่างนี้เองเหรอมีความคิดความอ่านมีความเข้าใจเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยขนาดนี้เหรอและรับผิดชอบงานใหญ่ของชาติบ้านเมืองนันเป็นเรื่องน่ากลัวน ะ, ะก็ปรากฏว่าในตอนต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ คณะสงฆ์ก็มีการประดบเป็นการประชุมกันส่วนจะออกมาในรูปยังไงก็คงปล่อยไปตามเรื่องนะฮะแต่เราก็เห็นได้อย่างหนึ่งนะว่าหน้าชี่ที่ควรจะทำต่อพระาศาสนาไม่ทำแต่จะมีลักษณะทำลายนะสร้างความแตกแยกในสาธาณจักเลยอนะันนี้เกือเป็นสังฆเพศนะคอยดูกันแล้วกัน ถ้ากฎหมายนี้ออกมาแล้วอาจจะยุ่งยุ่งแรงแล้วกลายเป็นสร้างโมโดกบาปขึ้นบนแผ่นดิน mm. ก็ยังนึกไม่ออกนะฮะว่าเขาจะคิดกันยังไงแต่ว่าต่อมาแค่ปีเดียวมันน่าจะคิดดูแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาไม่จะสร้างปัญหาขึ้นใหม่แล้วให้คนรุ่นต่อไปเขาแก้ เพราะพวกคุณมาอยู่แค่ปีเดียวตันเองนะอยู่ถึงครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คือเป็นเรื่องน่าหวงแล้วแหละก็ต้องการให้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าศา ส, สนานี่จะถูกแทรกแซงอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะว่าศาสนานพุทธเนี่ยพระเนี่ยโดยวินัยของพระนี่ทำอะไรไม่ได้เลย เเรียกว่าไม่สามารถรักษาองค์กรตัวเองได้มายังมองว่ามันเหมือนกระหอยนะมันต้องอาศัยเปลือกข้างนอกหุ้มหอ่อตอนพระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่ก็มีพุทธบา ร, รมีพุทธานุภาพก็สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆได้แต่พอมาในยุคหลังมันก็ต้องอาศัยบ้านเมืองกาสนับสนุน ทีนี้ถ้าบ้านเมืองเป็นพิษเป็นภัยเสเองเป็นอันตรายเสเองนั่นก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวก็ตกลงว่าในการต่อมาเนี่ยสิกขาบทนี้พอวิกฤตตัวนี้มันผ่านไปแล้วสถานการณ์สงบแล้วพระท่านก็เดือดร้อนทีประวันเหนียวตัว ก็มีผู้ทานอนุญาตเพิ่มเติมเขาเรียกอนุบัญญัติคือแก้ไขเพิ่มเติมอีกตั้งเจ็ดแปดครั้งนะครับวันนั้าเราไปอยู่อินเดียเราก็อาบน้ำได้นะในจูบูทีบเนี่ยเพราะว่ามีเงื่อนไขยเยอะอนุญาตให้อาบได้แต่ว่ามีประเด็นที่หน้ากําหนดคือพระวินัยที่ทรงบัญญัติแล้วเนี่ยจะไม่ยกเลิกเพียงแต่ว่าถ้าตึงเกินไปก็ปรับให พอเหมาะพอดีแต่ย้อนเกินไปก็ปรับเข้าหาพอเหมาะพอดีก็อยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าเคร่งจนเคร่งเครียดก็เคร่งครัดก็ธรรมดาทีนี้ก็มาพอพอเวลาสว่างเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแปลกคือเทวดาออกมาพบพระสมิธิเนี่ยเวลาสว่าง โดยาตามปกติเทวดาจะมาเฝ้าปลวงพุทธเจ้าในตอนชื่องคืนแต่ว่าเทวดาตว น, นี้ออกมาพบในเวลาที่ใกล้สว่างก็ได้ไปยังตะโปธานะีก็ทำบริเวณนั้นให้สว่าง้วยรัศมีของตนแล้วเข้าไปหาประ ส, สมิธิ ที่จริงพระสมิทธิตอนนั้นท่านบวชไม่นานหรอกแต่ว่าในพระบาลีก็ยังเรียกเทระยังเรียกเทระเพราะว่าคือเป็นยุคที่ยังไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์นในทางแางวินัยว่าขนาดไหนเรียกยังไงขนาดไหนเรียกยังไงเนี่ยยังยังไม่มีกฎเกณฑ์อย่างนั้นประเนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคือที่ สภานิติบัญญัติโดยนายชื่อรู้สึกจะไพศาลพืชเมืองคนนะเป็นแกนนำสนเสนอประเด็นเนี่ยคืออ้างว่ามันถูกต้องตามพระธรรมวินยัยมันไม่มีหลอกพระวินัยอะ่ะคือพระวินัยที่เขาพูดเรื่องพรรษานี่คือเวลาพูดจา ก, กันเนี่ยให้พูดกันตามระดับพรรษาหมายความมาผู้ใหญ่จะเรียกผู้น้อยเนี่ยว่าอาุศ ปูนเรียกผู้ใหญ่ว่าพันเตนะเอาโศอาจจะแปลว่าะวะเธอก็ได้แปลว่าคุณก็ได้พันเตแปลว่าใต้เท้าก็ได้ประเด็ดประคุณก็ได้เจ้าประคุณก็ได้ก็แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็เวลานั่งม่ที่นิมนต์ให้นั่งตามระดับพรรษาแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะฮะในสมัยของ พระเจ้าทรงประชดอยู่นี่ยพระสารีบุตรกับพระโมคกัลลานะนั่งกั น, นาพระพุทธเจ้าด้านซ้ายด้านขวาแต่ลงนั่นพระเทราเหล่าอื่นก็นั่งลดลันกันลงมาทางทางที่พระสารีบุตรนั้นท่านอยู่ในอันดับที่1น9 1นก็ะฮะก็แสดงว่าเราก็ ก็ไม่ได้ถือพัรษามาตั้งแต่ต้นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเขาพูดอีกเรื่องหนึ่งเลยนะบาลีจะบอกไว้เลยว่าภิกษุผู้ฉลาดสามารถทรงธรรมทรงวิ น, นัยแตกษาในอุปโตวิพังรู้อธิกรณ์เหตุเกิดอธิกรณ์ความดับอธิกรณ์ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับอธิกรณ์นะปราศจากอาคติสีประการแล้วก็จบลงข้อสุดท้ายนะฮะจะบอกพรรษา พรษาส่วนใหญ่ก็ห้าขึ้นนะส่วนมากก็ห้าสิบสิบขึ้นนะ่ยส่วนใหญ่ก็จะสิบขึ้นคือเขาไม่ได้เน้นก็ เ, เน้นที่ความรู้ความสามารถเขาไม่เน้นที่พรษาหรอกอย่าไปสับสนคือเรื่องศาสนานี้ที่จริงมันเป็นเรื่องเฉพาะทางนะคือแม้แต่พวกเรียนอภิธรรมก็เถอะคือไม่เก่งในเรื่องพระวินัยบิดอกหรอก คือถ้าเรียนพระาศาสนามันต้องเรียนหมดทั้งสามบิดกไม่ใช่ว่าไปเรียนเฉพาะบิดกดใดบิดกหนึ่งแล้วมาพูดเรื่อยคือปัญหาตัวนี้มันเป็นปัญหาของวินยัยมันไม่ใช่เป็นปัญหาของธรรมะเป็นปัญหาด้านวินยัยแ้าวินัยมันก็ต้องอยู่ในดูในใ น, ในพระวินัยบิดกมันต้องอ่านในครบแปดเล่มนะในพระวินัยบิดกเรียนตำราไว้วยังไงแล้วอย่างอัตถกถาสมัต์ภาษาติการิบายอีกมีเยอะเลย เอกสารต่างๆที่อธิบายประกอบยังมีอัตกถาดีการนุติกาโยชนาะะระรโอุ้เยอะคือสรุปว่าต้องการคนที่ชำนาญเฉพาะทางคือถ้าเรารู้ครึ่งๆก่างๆแล้วก็ยุ่งมีปัญหาเวลาจะพูดอธิบายอะไรก็เชิบเชิบนะฮะพูดเฉิบเชิบเลยไม่ต้องรับที่ชอบอะไรแล้วก็แปลกนะฮะคือไม่กลัวบาปกลวกรรม ก็เร well, ียกว่าสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมมนุษย์นยเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กคอยดูกันแล้วกันถ้ากฎหมายนี้ผ่านมาจริงๆแล้วคอยดูกันแล้วกันอาจจะปัญหาจะตามมาอะก็เทวดาได้กล่าวกับสมิธิว่าภิกษุท่านไม่บริโภคแล้วยังขออยู่ท่านบริโภคแล้วก็ไม่ต้องขอเลย ภิกษุท่านบริโภคแล้วจงขอเถิดการอย่าล่วงท่านไปเสียเถิดนะเราจะเห็นว่าเทวดาท่าทางเนี่ยมาพูดในเชิงเป็นปริศนาหรือต้องการให้ประสมิทธท่านตอบจึงก็่ามาความว่า ต้องการจะถามจริงๆเนะี่ยต้องการจะถามให้พระสมิธีเนี่ยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเพราะาคำเหล่านี้คกล้ๆจะง่ายอะ่ะแต่จึงมาต้องไปทราบพุทธอธิบายว่าทรงอธิบายไปยังไงว่าเทวดาเจตนาในเจตนาอะไรเพราะว่าคำมันง่ายเหลือเกินนะแต่กลับเป็นเรื่องยากเพราะว่าเป็นปริศนาถึงก็หมายความมาคิดไปภาษาด้วยด้วยคำพูดนี่ไม่ได้ แต่ต้องคิดด้วยนัยยะที่เทวดาประสงค์เพราะว่าคือปัญหาสำคัญเนี่ยว่าคำถามเนี่ยเราต้องเข้าใจเจตนารมของคำถามราคคำถามเนี่ยต้องการต้องการเรื่องอะไรต้องการใเกิดความรู้คอาเข้าใจเรื่องอะไรพอพระสมิทธิเทราจึงกล่าวว่าเรายังไม่รู้การ การยังรับมีได้ปรากฏเพรนั้นเราไม่บริโภคแล้วจึงยังขออยู่การอย่าร่วมเราไปเสียเลยนี่ก็อีกแหละมันก็มีลักษณะเป็นปริศนาอยกก็หมายความว่าพระสมิทธิ์ที่ค่อนข้างรู้เท่าทัานพอสมควรว่ราเทวดาเขาก็มาสั้นเชิงเป็นรูปของปริศนาธรรม เพราะงั้นประเด็นตรงนี้เราจะยกไปพูดตอนตอ น, ตอนหลังนะฮะเพราะว่าท่านจะต้องไปกราบทูนถามพระพุทธเจ้าทีนี้เทวดานั้นลงมายืนบนพื้นดินแล้วก็กล่าวกับพระสมมิทธิว่าท่านเป็นบรรพชิตย่างหนุ่มมีผมดําประกอบด้วยปฐมวัยจําเริญรุ่นจะเป็นผู้ไม่เพลิดเพลินในกาลทั้งหลายเสียแล้ว พิสูท่านจงบริโภคกรรมทั้งหลายเป็นของมนุษย์อย่าละกามเห็นประจักษ์นั้นเสียวิ่งไปหาทิพย์ทิพย์กรรมทิพยกรปปรมอันมีโดยการเลยอันนี้คือคือเราจะเห็นว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทีมุมมองนะฮะคือมีคนเป็นจำนวนมากที่เข้าใจว่า การประพฤติพรหมจรรย์ของพระนั้นต้องการจะบังเกิดเป็นเทพประบุแล้วก็มีสาวสารกำนันนายมากมายกายกองอะไรต่อะไรเนี่ยนะคือในแง่ของพระวินัยเนี่ยท่านปรับบัตรนะภิกษุประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็มีเทพทธิดาห้อมล้อมเป็นบริวารมากๆเนี่ย มันก็แสดงว่ายังปรารถนาการแล้วก็ต้องการกามที่ประนีตหล ก, การของพรหมจรรย์ที่ส่งแสดงไว้ในพรหมจริยสูตรในการนิบาทอังคุตรนิการนะส่งแสดงให้เห็นว่าเจตนารมในการประพฤติพรหมจรรย์พูดง่ายๆว่าการใช้ชีวิตอย่างประเสริ พยายามที่จะปฏิบัติกำกับตัวเองไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสไม่พูดไม่ทำไม่คิดไปตามแรงผลักดันของกิเลสถังอย่างที่เคยพูดไว้ในวันก่อนนะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วการละชั่วประพฤติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพรหมจรรย์ว่าในพรหมจรรย์สิบ ประเภทที่ท่านรวบรวมไว้มันจึงมีทั้งพวกละชั่วมีทั้งทั้ ง, ท, งทั้งที่เป็นประพฤติเช่นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการระพฤติแต่การรักษาศีลเนี่ยเป็นการละชั่วหรือการแสดงตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญทั้งหลายเนี่ยเป็นการประพฤติการช่วยเหลือปนขวายในกิจการงานที่ชอบเนี่ยมันเป็นการระพฤติ เพราะฉะนบทสรุปตรงนี้ที่จริงเราอาจจะพูดอะไรเยอะไปได้แต่จริงก็คือละชั่วประพฤติคืออย่างที่เราพบบ่อยๆนว่าจะทรงแสดงสั่งสอนไว้โดยปริยายอะไรก็ตามพอมาถึงบทสรุปมันก็กลายเป็นการไม่ทำบาปต้องปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การนำจิตได้ของแผ้วถ้าไม่ออกมาในลักษณะนั้นก็ถือว่าผิด ความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็ต้องออกมาในลักษณะนั้นทีนี้การที่ถูกทเทวดาก็ดีมารก็ดีจะมาชวนภิกษุให้เขวให้สับสนนี่มันมันมีเยอะนะฮะเกราะใจนว่าแม้แต่พระเราที่บวชในยุคปัจจุบันเนี่ยมีเยอะที่ตั้งใจจะอยู่แต่ในสุดก็มีเยอะที่คนมาชวนให้สึก คนชั่วได้สึกอยู่เรื่อยๆแมาเองคนอย่างเพิ่งเลิกชัวได้สึกเมื่อตอายุตังสี่สิบกว่าแล้วแล้วก็เจอเรื่อยๆเรื่องของเขาเขพูดก็พูดเราก็นั่งฟังแล้วไม่หวาอะไรไม่ออกความเห็นอะไรเขาก็แสดงว่าไอ้ที่เขามีความเห็นนี่คล้ายๆกับถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องความเห็นของเขาแล้วก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วก็ฟังไปแล้วก็ไม่ออกความเห็น แต่ว่าความตั้งใจจริงๆลึกๆนี่ก็ตั้งใจจะอยู่ในรูปของการถวายชีวิตต่อาศาสนาแล้วก็พยายามที่จะทำงานรับใช้ประรัตนาตรัไให้มากโดยเน้นไปที่การศึกษาการปฏิบัติการเผยแพ่การดูแลรักษ า, าศาสนาไม่ได้ไปนเน้นไปที่ เป็นเจ้าคณะประสังขาริการเจ้าวาดแดๆใครๆนะฮะทีนี้เป็นการเลือกมาตั้งแต่ต้นคือตอนบวชระยะแรกเนี่ยมันก็ทดลองหมดอ่ะการปกครองก็เคยเป็นทั้งเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะอำเภอการศึกษาก็เป็นผู้จัดการสั่งสอนจาดการอบรมจัดการสอบอานวยการสอบ การสาธารณูปการคือการกอร่อสร้างก็มีการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆเต็มเกิดสนใจเฉพาะตรงนี้รู้สึกว่าการกอร่อสร้างนี่รบ ก, กวนชาวบ้านเราก็ไม่ถนัดที่จะไปทํางานอย่างนั้นอย่างเนี้ยอย่างการกอร่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี้ยเดี๋ยวกันหนึ่งก็ต้องรบ ก, กวนชาวบ้าน เพงานที่ที่ทำเนี่ยมันมันใช้เงินทั้งนั้นเลยแม้แต่เราต้องการจะเช่าสถานีวิทยุตอนนี้พวกพวกก็เป็นอนุสาสนาจารย์ออกมาจัดการรายการวิจวิทยุหนึ่งชั่วโมงนะฮะจากห้าทุ่มถึงหกทุม ปรากฏว่าเดือนหนึ่งก็สองหมื่นกว่าแล้วก็มีคนช่วยสนับสนุนแค่ถามมันก่อนเนี่ยถาม่ามีคนสนับสนุนเท่าไรแกบอกมีแค่ห้าพันเดี๋ยวถามมาทำยังไงแกบอก ก, ก็ต้องจ่ายสตางค์เองก็เอาบนานาญที่ตัวเองได้รับนั่นแหละมาจ่ายเพื่อจะเผยแพท่ทางาน ก็เสียสละกันขนาดนั้นนะนะก็นึกดูกับข้าราชการบำนาญ้านนั่นเองเงินก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกถ้าไม่เห็นว่างานพระาศาสนาปัจจุบันเนี่ยจะทายากมากเพราะเงินเข้าไปมีบทบาทเข้าไปมีส่วนอยู่ก็เรียกว่าทุกกรณีแม้แต่เราจะจัดข้าวไข่อบรมกุลบุตรกุรธิได้โอใคจะจ่ายย คือหมายความว่าสี่คืนห้าวันเลยแต่นี้นะก็ว่ากันเป็นแสนแล้วเด็กขนาดต้องสามร้อยเนี่ยก็ว่ากันเป็นแสนแลค่าอาหารอย่างเดียวนะี่ยุ่งนะนี่คือปัญหาว่างานพระศาสนาจําเป็นจะต้องอาศัยศรัทธาช่วยเหลือจากชาวบ้านหมายความว่าอิงอาศัยซึ่งกันและกันอย่างรายการเนี้ย พลเอกเสรีไปพบในครั้งแรกคือจากอัตมาได้พูดบอกว่าก็ที่จริงส่วนตัวก็พอมีปัญญาที่จะเผยแผ่ธรรมะอธิบายธรรมะได้แต่เราก็ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะเช่าสถานีวิทยุเรื่องโทรทัศน์ยิ่เลิกพูดเลยนะตอนนี้เอสอมทอก็ให้แต่ว่าตอนอนตอนทีน่สี่ครึง่ง ก็มีเทวดาฟังบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอาการาการการมองของเทวดาตรงนี้ไอ้เราเราสังเกตว่าคิดว่าคือมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปคิดว่าการบวชต้อควรจะบวชตอนแก่แล้วถามบวชไปทำอะไรตอนแก่เพราะว่าตอนแก่นี่ควบคุมตัวเองไม่ได้และ จะทำงานทำการจะท่องสวดมนต์อย่างเดียวนี่ก็ยุ่งตายแล้วต้องไม่ได้แล้วเพราะงั้นการบวชเนี่ยมันต้องทำในตอนที่เรวิชกันเนี่ยวัยหนุม่มเรานิยมส่วนใหญ่เราก็นิยมเอาสามนเณรเอาเด็กมาบวชเพราะว่าพ่วงเวลาในการศึกษาเนี่ยใชย่ใชใช่เยอะมากทีนี้ พระสมิทธินี่เก่งคือตอนนั้นท่านท่านเป็นพระปุตุชนนะท่านท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยะอะไรหรอกท่านบอกว่าท่านผู้มีอายุเราหาได้ละกามที่เห็นประจักษ์วิ่งไปหากามแต่ทิพยากรมอันมีโดยการไม่เราละกามอันมีโดยการแล้ววิ่งเข้าไปหาโลกุตรธรรมชี้เห็นประจักษ์ หมายความประกามก็คือสิ่งที่ท่านที่ท่านทิ้งมาเนี่ยโลกียรมทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหนาคลาหนาปรารถนาเข้ า, าใจเนี่ยหมายความประกามเหล่านี้ก็มีอยู่ด้วยการมีอยู่ตลอดแต่ว่าสิ่งที่ท่านมุ่งไปหานั้นไม่ใช่มุ่งไปสู่ทิพยสุขคือไม่ได้มุ่งไปสู่การเป็นเทพประมุทเทพติดา มีสาวสารกับนันนายมากมายไก่กองนะแต่มุ่งไปสู่โลกุตรธรรมแต่ก่อนเนี่ยท่นานใช้คำว่าทำะนิพานให้แจ้งก็ตั้งแต่ต้นมาผูร้รำดของพระพุทธเจ้าที่รับสั่งตอนเอหิภิกขุปสมัตทา น, นี่ทรงใช้ับว่าพึงทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถอะหมายความว่าก็เพื่อบรรลุพระพุทิพาน โลกุตรธรรมนั้นเป็นผลจากการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์แประการเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าอริยมรรคบางทีเนี่ยหมายถึงตัวมรรคที่เป็นผลก็คือมรรคสี่ผลสนะหมายถึงมรรคสี่คือโซดาปฏิมรรคสกกิเคารมรรคกนัคคารมรรคราหัตธมรรคบางทีมรรคที่เป็นเหตุมรรคที่เป็นเหตุก็คืออริยมรรคมีองค์แปประการตพรฉนมันก็ต้องดูเหมือนกันว่าตรงนี้เขาพูดถึงมรรคอะไร ตอนนี้ท่านพูดถึงโลกอุตตระก็หมายความว่าเป็นตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจนไปตามหลักของอริยมักเบื้ปดประการหมายความว่าตัวอริมกักท่านและเราไม่ต้องทําอะไรหรอกแต่ว่าทําจริงๆที่ตัวอริมักเบื้ประการเมื่ออริมักเมื้องปประการศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณ ก็เป็นประสะบการณ์หลักถ้าฟังเราสังเกตว่ากิเลสยังหยาบมันหายไปเลยเพราะการละเมิดสีเนี่ยมันไม่มีอยู่โดยโดยกฎของมันธรรมะเราเห็นชัดเจนมันเป็นกฎหมายความถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีในขณะที่สิ่งหนึ่งมีเนี่ยสิ่งหนึ่งมันก็ดับดับตามไปก็คล้ายๆกับเราจุดจุดเชียนขึ้นในแต่ละจุดเนี่ย แสงสว่างมีความมืดก็หายไปแสงสว่างมีความมืดก็หายไปแต่เลเราสื่อสารเราก็สื่อสารแค่มีแสงสว่างก็พอแล้วไม่ต้องบอกความมืดหายไปเราเข้าใจกันได้เพราะบางคราวบางคราวเราก็พบเอกสารหลายเดือนมาแล้วนะฮะพบเอกสารก็เป็นป ร, ริญญา ไปเรียนหนุ่มมาไปเรียนก้าวประโยคด้วยแล้วว่ากันว่าเป็นปัญญาโทอะไรนี่นะก็พูดว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่หัวนี่ทําโลกุตธรรมตกลน่ในใช้ภาษาที่แปลกฮะโลกรุตรธรรมเนี่ยมันเป็นผลนะฮะมาจากเหตุก็คืออะไรมากมีมอปุประการตัวโลกรุตธรรมนั้นมันเป็นเพียงแต่ว่า เป็นเป้าหมายมันไม่ใช่เป็นหลักการปฏิบัติระการปฏิบัติแล้วเราก็สัมผัสผลคล้ายๆกับอะไรล่ะระยะกาปรุงอาหารและรับประทานนี่ยมาทาการปรุงอาหารก็เสร็จเป็นอาหารเล้วก็รับประทานเข้าไปมาในตอนรับประทานก็ไม่ต้องปรุงมันก็เสร็จแล้วพอปรุงไปเสร็จแล้ว ผลอริยมรรคที่อริยมรรคสเนี่ยอริยผลสีเนี่ยมันมันมันเป็นผลเรายเจนว่าอาริยมรรคสี่เป็นผลของอริยมรรคดงแปดและในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุของอริยผลสีอริยผลสีก็เป็นเหตุของนิพพานก็ว่ากันไปถึงโน่นนะเป็นแต่ว่าพวกนี้เร็วมากนะแป๊บเดียว ก็แสดงมโลโกตะธรธรมนี่ก็เห็นไปจากเพราะจริงๆถ้าเราลองสังเกตดูจิตเราสามารถสัมผัสโลโกตะธรรมอ่อนๆได้ทุกวันเราสัมผัสศีลสัมผัสสมาธิสัมผัสปัญญาได้ทุกวันได้ลึกขนาดไหนเป็นรายละเอียดเฉพาะตัวบุคคลนั้นแต่ก็สรุปว่าเป็นเรื่องที่เห็นไปจากมันมีตัวตนบุคคลที่บรรลุให้เราเห็นอยู่ ผูเจ้าก็มีพระหันทั้งหลายก็มีพระยา บ, บุคคลทั้งหลายก็เกิืนไปหมดเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการลิ้มการชิมโลกุตตระมักเนี่ยเราก็ชิมได้เราเกิดเมตตาขึ้นเราจะเห็นว่าโทสะมันดับราคะมันก็ดับโมหะมันก็ดับและความริษยาอะไรจะแตกต่างมันจะดับไปดับไม่ขาดหรอกเพราะว่ารากมันลึก แต่หมายความว่าตราบใดที่จิตยังอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยอาการกิเลสเหล่านี้จะสงบไม่มีพลังที่จะไปทําให้จิตสับสนหวันไหวถ้าจิตเกิดสับสนหวันไหวก็แสดงเมตตาเขาอ่อนลงไปแล้วก็สักก็เยอะกันก็สู้ไม่ได้เพราะเราก็ดูได้ที่จิตพระสมิธทีท่านจึงพูดไม่ใช่หมายความว่าท่านบรรลุนะฮะ แต่ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ประจักษ์เกณฑ์ได้ประจักษ์ด้วยาการทั้งหลายอันมีโดยการเป็นของชั่วคราวโดวยเห็นว่าการมันทีมันเสื่อมเร็วมากเสื่อมแป๊แป๊บอ่ะอย่างยกตัวอย่างอาหารเนี่ยชัดมากอาหารที่เราประทานเข้าไปพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่เราสัมผัสในชีวิตประจำวัน มันดำรงอยู่ได้ชั่วคราวเป็นชั่วขณะขณะขณะขณะแต่นั้นเองเมัอนคล้ายๆกับรับประทานอาหารเราเจ็บว่ารู้สึกรู้สึกอร่อยก็เมื่อเมื่ออาหารมันก็ผ่านลิ้นไก่นอกจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องของระบบการย่อยการขับถ่าย การตั้งหลายจึงมีอุปมาไว้เยอะมากนะในพระวาลีเนี่ยพระเจ้าจอุปมาไว้เยอะมากเหมือนกับความฝันเหมือนกับอะไรเหมือนกับชิดเนื้อเหมือนกับถือก็อเพลิงทวนลมอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดภาพมันชัดมากประการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องการเนี่ยก็มีแต่ยินดียินรายอะ ก็สรุปว่ามันก็มากไปด้วยความยินดียินดายแต่ตามปกติแล้วเนี่ย ม, มีทุกข์มากเพราะงั้นพระสมิธิท่านก็จับประเด็นตรงนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในการมทั้งหลายนั้นมีโทษยิ่งนั่นคือการมทีเนี้ยท่านก็มีที่ไปที่มาแล้วก็แสดงว่าท่านก็เห็นตามที่พระเจ้ารับสั่ง แล้วเราก็มาพิจารณาดูว่ามีมีทุกข์มากจริงไหมในการแสวงหาต้องต่อสู้ปหาหเอาประคักอันตรายต่างๆในการได้มาในการครอบครองในการพิโรกใช้สอยในการเก็บออมในการป้องกันภัยอันตรายแล้วก็มีภัยต่างๆอีกเกิดขึ้นเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องตัวเนี้ยเพิ่งก็มีความชัดเจนว่า มีทุกข์มากมีความคับแค้นพลาดพลากสูญเสียต้องการได้ไม่ได้ต้องการมีไม่มีต้องการเป็นไม่เป็นไม่ต้องการได้เกิดได้ไม่ต้องการมีเกิดมีไม่ต้องการเป็นเกิดเป็นอะไรต่อะไรมันก็คับแค้นแล้วก็มีโทษคือเรื่องบางทีเนี่ยคนสร้างบาปเพราะการมเป็นเหตุมี เัืก่อนได้อ่านเรื่องเรื่องจ้า ว, วาดวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยท่านไปลอกทองตีหุ้มพระเจดีย์ร่วมมือกับเจ้าเมืองเจตนาจริงๆเจตนาเดิมนะก็เจตนาว่าจะเก็บไว้แล้วค่อยหุ้มกันใหม่ให้มันเสร็จศึกซะก่อนลวจะญี่ปุ่นจะไปลอกเอา แต่๋ยเราไปครอบครองครับเามื่เกิดโลกแล้วก็ต่อจากนั้นพอเสร็จศึกสงครามปรากฏว่าสมพานก็ศึกแต่เมืองก็ปลดกเกษียณแล้วทองนะไปขายเอาเงินมาแบ่งกันสมพานก็รวยเลแล้วก็ไปได้พัญญาสาวก็แต่งงานกันปรากฏเราคลอดลูกมาเนี่ยไม่มีหนัง เป็นชิ้นเนื้อแดงๆไม่มีนะักก็อยู่ประมาณสิบวันก็ตายแล้วต่อมาอดีตเจ้าวาดเนี่ยเกิดแตกเป็นปุ่มแล้วก็เปื่อยหมดทั้งตัวมีที่ไม่เปื่อยนี่มีมือกับเท้าก็ยืนเกาะอยู่อย่างเงี้ยเพิ่งทราบข่าวว่าเพิ่งตายมา่อยี่สิบกว่าปีที่แลนเอง แ, แสดงว่าอยู่ทุกทรมานมานานประจานตัวเองมานานและทุกวันก็ยังเป็นเปรตที่แสดงตัวอยู่ใกล้เจดีย์ก็มีคนพะเห็นกันบ่อยๆนั่นเองฮะคือเรื่องความความโลภในทองคำซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบูชาพระเจดีย์ แล้วปรากฏว่าในการต่อมาเนี่ยคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับทองเนี่ยเป็นโรคเรื้อนหมดเลยแล้วก็เอามาคืนนะคืนแล้วก็ไม่หายก็ยังก็ยังเป็นต่อนั่นแหละแต่ว่าก็ลดบาปลงไปบ้างนิดหน่อยนะเพราะบาปเนี่ยท่านสอนไว้คือไม่ทำเลยดีที่สุดแต่เราจย่าลืมว่าบาปเนี่ยมันมาจากเนี้ย มันมาจากความใคร่มาจากความโลภความโลภเนี่ยเป็นอันตรายของทำทั้งหลายมีเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นทางผิดอะไรเป็นโทษแห่งธรรมทั้งหลายพระเจ้ารับสั่งวลาฆ่านี่เป็นทางผิดความโลภเนี่ยเป็นอันตรายอันตรายกันทุกๆเรื่องเพราะสิ่งที่โลภเราก็คือพวกวัตถุการมทั้งหลาย แล่าคนก็คาดหวังว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของครอบครองทรัพย์สินเงินทองด่านั้นอยู่ตลอดไปต้องฟังทัลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี